สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีกลับมาพร้อมกับเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวที่เราได้ไปสรรหานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังบน h anel พระเจอผีใน YouTube นะคะ วันนี้ต้องขออภัยคุณดูฟังด้วยค่ะเนื่องจากว่าซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่หนึงอะนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหลายท่านอาจจะไม่สบายกันไปยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ขออนุญาตนำเรื่องเกี่ยวกับผีที่เกาะกูดค่ะหลายๆท่านอาจจะเคย อ่านเจอแล้วในเว็บไซต์พันทิปนะคะซึ่งเป็นกระทูผีที่มีสมาชิกบนเว็บไซต์พันทิปเน้นำมาตั้งให้กับหลายๆท่านได้อ่านกันโดยสมาชิกที่ใช้ชื่อว่าปีกทองแท้นะคะวันนี้ค่ะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องก็มีอยู่นะคะว่า คือเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤ ด, ดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวดแล้วก็แอร์รุ่นเดียวกันนัดรวมพลละพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนค่ะได้จัดทริปไปเที่ยวเกาะกูดโดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวซึ่งห่างออกจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไปไม่ค่อยไกลนั ก, กันนะคะแต่ว่าด้วยความที่อยากทาตัวเป็นไฮโซติดดินค่ะทุกคนก็เลยต้องทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพ ในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของข อ, อของบขอสอจากสถานีเอกมยัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วก็ต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีนึงนะคะซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็เป็นเวลาพลบค่ำพอดีทุกคนก็เกิดอาการเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยทีเดียว หลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิ่มหมีพีมันกันแล้วนะคะหลายคนค่ะก็เลยเดินออกสำรวจบ้านพักแล้วก็บริเวณโดยรอบซึ่งมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปนั่นก็คือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนก็ทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นอย่างดีเลย ด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านส่วนด้านหลังค่ะอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตต์ต่างๆก็ร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่ว่าเสียงหนึ่งค่ะที่ทำให้เจ้าของกระทู้ขนลุกด้วยความกลัวปนขยะขยงนั่นคือเสียงของตุ๊กแก ى, ที่ไต่ย้อยเยอยู่ตามผนังบ้าน แต่ว่าระหว่างนั้นนะคะทุกคนก็ได้พบปะพูดคุยกันกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นซึ่งชาวบ้านเนี่ยต่างก็มีอัธยาศัยอันดีแต่ว่ายกเว้นพ่อแม่ลูกสามคนที่มองหน้าแล้วก็ซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นทุกคนก็นั่งเฮฮากันตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนก็เลยเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อทาการพักผ่อน แต่ด้วยความที่สนิทกันมากะนะคะแต่และคนก็เลยลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างก็พูดคุยหยอกล้อ ก, กันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆค่ะมีเสียงจอกแจ๊กดังขึ้นทุกคนก็ค่อยลดระดับเสียงกระซิบกระซาบลงไปแล้วก็เงียบกันไปในที่สุด แสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่งเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทําให้เจ้าของกระทู้นี่พลอยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะนานผ่านไปสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบแน่นอนนะคะเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงตู้แกร้องอยู่ภายนอกเสียงนั้นเนี่ยทาให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมโปรงแล้วก็เอามืออุดหูด้วยความเกลียดกลัว หน้าแปลกนะคะคุณผู้ฟังที่บรรดาทุกคนเนี่ยอย่างเพื่อ น, นแอร์เพื่อ น, นสจวตเนี่ยนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สักพักหนึ่งเสียงตูก้แกก็สงบลงแต่ว่าคราวนี้กลับมีเสียงของผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบ า, เบา ซึ่งเจ้าของกระทู้เนี่ยนะคะก็พยายามฟังว่าพวกเขาคุยอะไรกันอยู่แต่ก็ไม่สามารถจับใจความได้แม้แต่คาเดียวค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นภาษาอื่นที่มันไม่ใช่ภาษาไทยเจ้าของกระทู้ก็ค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้าค่ะก็คือผู้ชายกับผู้หญิงและก็เด็ก ที่พบเมื่อตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงเหมือนว่าสามคนนี้เนี่ยรู้นะว่ากำลังมีคนแอบฟังอยู่ค่ะทั้งหมดก็เลยหันหน้ามาจ้องที่เจ้าของกระทู้ด้วยสายตาเย็นชาเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยก็เลยนึกในใจว่าอ๋อพวกชาวบ้านที่ ทำงานที่นี่นี่เองนึกว่าใครในใจก็คิดแบบนี้แหละนะคะพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่เนี่ยบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าครับมาทำอะไรกันดึกดื่นแบบนี้เสียงของเจ้าของกระทูเนี่ยทำให้เพื่อนบางค น, นเริ่มขยับพลิกตัวแล้วแต่ว่าเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาดาตะคุ่มตะคุ่มกาลังโ ง, งเงนลุกขึ้นนั่งนะคะเพียงเสี้ยววินาทีค่ะที่ละสายตาจากสามคนนั้น ก็ปรากฏนะคะภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นอยู่ในมืองงกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเด็กคนนั้นนี่แอบปีนเข้ามาในห้องพักของเราตั้งแต่เมื่อไหร่โดยที่ไม่ทันคาดคิดนะคะ แกก็เริ่มออกวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เนี่ยเคาะผนังไปเรื่อยๆดังก๊อกก๊อกก๊อไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องซึ่งเสียงร้องนี่มันดังโหยหวนจนต้องยกมือขึ้นปิดหูค่ะพอถึงตอนนี้เพื่อนบางคนก็ตื่นกันหมดละทุกคนต่างก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองหน้ากันด้วยความงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของกระทูนี้ก็พยายามร้องห้าม แต่ว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมหยุดค่ะยังคงวิ่งพล่านเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไปจนปัญญาละค่ะก็เลยหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมบอกพี่ช่วยมาเอาลูกพี่ออกไปหน่อยสิครับโซนจริงๆเขาได้ ก, กวักมือเรียก2คนนั้นแต่หน้าแปลกนะเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยเหมือนกับไม่สนใจใหญ่ดีเลยว่าลูกตัวเองเนี่ยกําลังรบกวนการพักผ่อนของทุกคนอยู่เพื่อนก็เลยถามบอกคุยกับใครอยู่ล่ะแอนดี้ แล้วนี่เสียงอะไรกัน่ะใครร้องแคร์คอสฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นค่ะพร้อมกับหันไปมอง ร, บรอบๆอย่างหวาดหวาดปนสงสัยราวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอ้าก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กมาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่ยอมหลับยอมนอนคุณแอนดี้น ะ, ะก็คือเจ้าของกระทู้นี่แหละตอบไปอย่างเลืออด จากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นค่ะโดยอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วก็กดปุ่มให้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ฟังห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆค่ะคุณแอนดี้เจ้าของกระทูนี่กดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้ำอีกแข่งกันกับเสียงกรีดร้องและก็เสียงเคาะผนังห้องของเด็กคนนั้นความกดดันปัทุขึ้น จนเขาไม่สามารถที่จะทนได้ใช้นิ้วกระแทกย้ำเข้าไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้งพร้อมกับตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดบอกไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของคุณแอนดี้ค่ะแสงไฟจากดวงไฟฟ้านี่แหละหลายดวงบนเพดานเนี่ยมันก็ส่องสว่างขึ้นเสียงอึกกระทึกและกภาพของเด็กคนนั้นหายไปในพริบตาค่ะห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งหนึ่งคุณแอนดี้เจ้าของกระทุ้มองไปรอบๆ เห็นบรรดาเพื่อนๆนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวเขาก็ได้รีบเดินสาวเท้าเข้าไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยค่ะก็ได้แต่แข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่คุณแอนดี้เจ้าของกระทูอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วก็ค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับตาไปในที่สุดนะคะ พอรุ่งเช้าค่ะคุณผู้ฟังเขาก็ได้เดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนคือเดินไปคนเดียวนะคะเพื่อนคนอื่นก็สารวนกับการเก็บข้าวของหนีกลับกรุงเทพพบว่ามีสารเป็นสารเพียงตาอยู่สองหลังแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้าเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคนหนึ่ง สอบถามคนงานดูก็เลยทราบนะฮะว่ามันถูกสร้างให้กับสามีภรรยาและก็ลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ว่าโชคร้ายนะคะที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวอยู่ณบริเวณนี้และศพก็ถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นตรงบริเวณชายหาดหน้าบ้านหลังนี้และที่น่าแปลกก็คือ ไม่เคยมีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนแล้วก็ไม่มีใครได้พบกับพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นไปนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังเรื่องแรกกันจากคุณแอนดี้เป็นเรื่องของผีขมินที่เกาะกรูดที่เว็บไซต์พันทิพย์นะคะ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาเนยคะแล้วก็มีวิญญาณของทหารกัมพูชานี่แหละค่ะติดตามกลับมาถึงประเทศไทยเลยนะคะโดยเรื่องที่จะเล่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากพี่สาวของผู้ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าไม่มีการเสริมปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นขออนุญาตนะคะ ใช้นามสมมุติว่าคุณดาวก็แล้วกันนะคะโดยคุณดาวบอกว่าย้อนกลับไปประมาณปี 2,553 นะคะโดยคุณดาวเนี่ยแล้วก็พี่สาวของคุณดาวแล้วก็คุณแม่ของคุณดาวไปเที่ยวกันที่ประเทศกรัรมพูชาซึ่งก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เคยมาที่นี่ค่ะ นั่นก็คือเมืองหลวงที่กรุงพนมเปญที่ทันสมัยมีตึกรามบ้านช่องมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายพร้อมกับผู้คนมากมายเรียกว่าคนที่นี่น่ารักดีนะคะคล้ายกับเมืองไทยยังไงอย่างนั้นอาหารที่นี่ก็คล้ายๆ ก, กับบ้านเราค่ะแต่ว่าใครจะรู้ว่าเมืองหลวงที่นี่เนี่ยเคยโดนโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนคเขมรด้วยกันเองมาแล้วเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณดาวแล้วก็พี่สาวแล้วก็คุณแม่ได้มาเที่ยวที่นี่ พอมาถึงกรุงพนมเปญก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มค่ะก็เข้าพักในโรงแรมในเมืองพนมเปญทันทีโรงแรมที่นี่เนี่ยก็สวยทันสมัยดีนอนกัน3คนนะคะโดยคุณดาวกับคุณแม่นอนหลับสบายแต่ว่ายังเหลือพี่สาวคนเดียวที่นอนไม่หลับค่ะเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลา พี่สาวเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะขวัญอ่อนจิตอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฝันแม่นแม่นจนน่ากลัวเลยและนะคะบางทีหลายเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงแต่ยังไงก็ขอข้ามไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้คุณผู้ฟังเบื่อไปซะก่อนที่นี้พอตื่นเช้ามาพี่สาวเล่าบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับ เพราะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนนี่คอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาค่ะอยู่แถวบริเวณตรงตู้เสื้อผ้าแต่ว่าคุณด า, าคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าพี่สาวนี่อาจจะแปลกที่ก็เลยคิดมากไปเองเรื่องนี้ก็ลืมๆกันไปจนเที่ยวได้ประมาณ4ี่วันก็เดินทางกลับที่ประเทศไทยค่ะพอมาถึงไทยราวสามทุ่มนะคะ พอถึงบ้านค่ะต่างก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพราะว่าเพลียกับการเดินทางแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะหลังจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นช่วงเประ์อ่าประมาณตีสามกว่าๆพี่สาวเล่าโดยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองพี่สาวบอกว่า พอมาถึงบ้านก็นอนหลับปกติเพราะว่าเพลียจากการเดินทางจนมาถึงช่วงประมาณตีสองค่ะพี่สาวรู้สึกแสบตาเหมือนกับว่าไฟในห้องเปิดแต่ว่าเข้าใจใช่ไหมคะว่าเวลาที่คนเราง่วงมากๆตามันไม่อยากจะลืมขึ้นมาดูอะไรทั้งนั้นแต่จะด้วยความอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ในใจตอนนั้นเนี่ย ก็อยากจะรู้นะคะว่ามีใครมาเปิดไฟหรือเปล่าเหมือนกับต้องต่อสู้กับความง่วงของตัวเองด้วยก็พยายามฝืนลืมตาเพื่อจะดูว่าไฟมันเปิดได้ยังไงแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาค่ะในห้องกลับมีเพียงความมืดมีเพียงแค่แสงไฟจากข้างนอกบ้านเท่านั้นที่เล็ดลอดเข้ามาในห้องพอให้มองเห็นว่าภายในห้องเนี่ยมันเป็นปกติทุกอย่างอยู่แล้ว แต่ว่ากรณีไฟในห้องนอนเนี่ยจะเป็นสีขาวสว่างจ้าเราจะดูได้ทันทีนะคะว่าไฟเปิดอยู่แม้หลับตาแต่ความสว่างจ้าของแสงไฟเนี่ยเราจะรู้สึกร้อนแล้วก็แสบตาถูกไหมคะพี่สาวก็เลยรู้สึกแปลกใจและก็มั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่นอนค่ะแต่จะด้วยความง่วงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ก็เลยนอนหลับต่อทีนี้หลับไปได้ประมาณ10นาทีได้ยินเสียงคล้ายกับฝีเท้าคนเดินมาจากประตูห้องนอนเข้ามาภายในห้อง ซึ่งคุณดาวเองนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่สาวก็มีความรู้สึกว่าเอเป็นสามีของพี่สาวหรือเปล่าที่กลับมาจากทำงานก็เลยเดินเข้ามาบ้านเพราะว่าปกติสามีของพี่สาวเนี่ยจะกลับบ้านไม่เป็นเวลาอยู่แล้วนะคะซึ่งพอได้ยินแบบนั้นก็พยายามลืมตาแค่ครึ่งตาเท่านั้นนะคะแล้วก็อาการเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นพี่สาวเห็นผู้ชายค่ะผู้ชายเดินเข้ามา ลักษณะรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายกับทหารแต่ว่าเห็นหน้าไม่ค่อยชัดมายืนอยู่ตรงปลายเตียงค่ะอยู่ๆก็กระโดดขึ้นคร่อมพี่สาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วมาก ทั้งแขนทั้งขากลับไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้มันเหมือนมีอำนาจสะกดให้นอนนิ่งๆอยู่นะคะระหว่างที่ขึ้นคล่อมอยู่นั้นค่ะวิญญาณก็ได้ตบที่หัวของพี่สาวอย่างแรงตบไปตบมาเป็นสิบทีแล้วก็ตบแรงขึ้นเรื่อยๆจนพี่สาวไม่ไหวล่ะเหมือนจะเอาให้ตายเลยพอสักพักหนึ่งแขนขาพี่สาวกลับมีแรงขึ้นไม่รอช้าทั้งผลักทั้งถีบทั้งต่อสู้ดิ้นรน วิญญาณตนนั้นแบบสุดแรงเกิดนะคะแบบผลักไปมันมีแต่ความว่างเปล่าอะค่ะคุณผู้ฟังพี่สาวบอกทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งโมโหแล้วก็สับสนว่ามันคืออะไรจะว่าฝันก็ไม่ใช่นะเพราะมันรู้สึกเจ็บที่หัวจริงๆแต่ยังไม่ได้ลุกไปไหนนะพี่สาว ก็ลอยตัวอยู่เหนือเตียงมันมีความรู้สึกเหมือนลอยตัวอยู่เหนือเตียงอะนะคะคือถ้าใครที่แบบเคยดูหนังผีฝรั่งอ่าที่มันมีวิญญาณเข้าสิงที่สร้างจากเรื่องจริงมันจะเป็นแบบนั้นเลยพี่สาวรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วละทรมานมากเหมือนคนกําลังใกล้ตายและไม่รู้ว่าวิญญาณตัวนี้นี่มันโกรธแค้นอะไรนักหนาถึงมาทําแบบนี้ซึ่งพี่สาวของคุณดาวเองค่ะก็ได้แต่เพียงคิดในใจเพราะว่ามันเหมือนโดนมนต์สะกดไม่ให้มีเสียง แต่ว่าแค่คิดเท่านั้นค่ะก็ได้ยินวิญญาณเนี่ยพูดเหมือนภาษาขเขมรแต่ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเป็นภาษาที่คนขเขมรพูดกันวิญญาณตนนี้น่าจะพูดทางจิตเพราะว่าปากไม่ได้ขยับเลยแต่ว่าน้ําเสียงน่ากลัวนะเหมือนโกรธแค้นกันมาในใจพี่สาวตอนนั้นนี่ใกล้จะไม่ไหวแล้วค่ะนึกถึงพระพุทธรูปแล้วก็พยายามท่องคาถาเท่าที่จําได้แต่วิญญาณตัวนี้ไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับเวียงหัวแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ลอยขึ้น ปล่อยให้ร่วงลงมาบนที่นอนทําอยู่แบบนี้สลับไปมา20นาทีได้ซึ่งถือว่านานมากจากที่พี่สาวกลัวตอนนี้กลายเป็นโมโหแล้ว่ะทั้งคู่ก็เลยด่ากันแช่งกันนะะไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเกิดขึ้นในในในความคิดเท่านั้นวิญญาณก็อันตรฐานหายไป ซึ่งในเวลานั้นพี่สาวหลุดจากวิญญาณมาได้ก็รีบเปิดไฟแล้วก็รวบรวมสตินะคะว่ามันคืออะไรกันแน่รู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บศีรษะซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆแล้วก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่างบอกว่ามีวิญญาณเข้ามาทำร้ายแม่สามีเนี่ยก็เลยเอาพระมาคล้องขอให้สรุปคืนนั้นแทบจะไม่ได้นอนกันเลยพี่สาวก็รีบโทรมาหาน้องสาวนะคะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ซึ่งเป็นเรื่องที่เจอมา ส, ะสะดๆร้อนๆตื่นตอนเช้าก็รีบตักบาตร ท, ทาบุญอุทิศไปให้กับดวงวิญญาณขเมนตนนี้ที่ตามมาหลังจากนั้นสองวันพี่สาวก็ฝันเห็นว่าตัวเองอยู่ในยุคขเมนแดงแต่งตัวเหมือนหมอแล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่สะพายข้างกำลังเดินไปมาพร้อมกับชาวขเมรหลายร้อยคนคะ่ะแล้วก็เห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิดเห็นรถไฟเห็นขมรแดงเห็นคนใกล้ตายกาลังร้องขอความช่วยเหลือให้รักษา อยู่ๆนะคะมือของพี่สาวก็ไปโดนไฟไฟมันลวกมือทั้งสองข้างเลยพอตื่นเช้าขึ้นก็นึกถึงความฝันของตัวเองว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็เลยมานั่งดูมือตัวเองอ๋อมิน่าละทำไมชาตินี้มือถึงเหี่ยวเหมือนคนอายุ80เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยซึ่งปัจจุบันนี้พี่สาวของคนที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยอายุ40ปีแต่ว่ามือนี่เหี่ยวมากค่ะ ซึ่งพี่สาวเขาเกิดเมื่อปี 2,518 แล้วก็เป็นช่วงยุ ค, คเขมรแดงก็เกิดสงครามช่วงต้นปี 2,518 เหมือนกันเลยแต่ก็แปลกดีนะคะคุณผู้ฟังว่ามันช่างบังเอิญเสลเอเกินมีคนตายจำนวนมากเท่าที่ทราบน่าจะเกิน2ล้านขึ้นนะะคะเพียงคนไม่กี่คนที่มีความคิดสุดต่งฆ่าทำลายล้างพี่น้องชาวเขมรด้วยกันเองฆ่าพวกหมอพวกนักวิชาการฆ่าครูฆ่าพระผู้ที่มีความรู้ และรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเขาก็ถือว่าคนพวกนี้รู้มากเกินไปเอาไว้ไม่ได้เป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องกำจัดทิ้งให้หมดคนกลุ่มนี้จะโดนคุมขังที่คุกก่อนจะโดนฆ่าโดยการใช้วิธีทรมานต่างๆนาๆนาน่าสงสารมากนะคะเพราะว่าโหดร้ายสุดจะพนาได้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะฆ่าคนบริสุทธิ์เป็นล้านๆได้มากขนาดนี้ ตัวของบีเองเชื่อว่าคนเราตายไปแล้วก็ต้องเกิดมาชดใช้กรรมกันอีกไม่รู้จักจบจักสิน้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้เชื่อเรื่องของพบของชาติที่แล้วชาติอดีตชาติมีจริงชาติหน้าก็ต้องมีจริงดังนั้นนะคะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรรีบสร้างบุญสร้างกุศลทําความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ไม่เบียดเบียนกันยังไงซะก็อย่ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมยังไงก็รีบสร้างคุณงามความดีกันเถอะนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีให้เราสร้างค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้กันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช n แน l บน YouTube พระเจอผีนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ